ศึกษาในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นพระสกทาคามีเพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นพระอระหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็ศึกษาต่อไปเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปรับความเข้าใจไม่ถูกต้องก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในพระาศาสนาเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยเชื่อไหมเราเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเลยก็มี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 ตรวจสอบว่าเออเนี่ยได้ทรัพย์สินมายังไงอะไรมายังไงไต้องตรวจสอบบัญชีได้ฉันใดความคิดของเรานะคนที่ศึกษาธรรมมาระดับสูงก็ตรวจสอบความคิดได้ทั้งหมดเช็คได้ทั้งหมดจริงๆนะแม้กระทั่งภาษาทางแพทย์เนี่ยน ะ, ะทางแพทย์เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยตรวจสอบได้หมดเลยเขาบอกว่าอะไระไปตรวจสุขภาพเขาทำยังไงบอกขอเลือดมาหน่อยแล้วกันแต่เลือดของคุณคุณต้องไม่ทานอาหารมาประมาณ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 เช็คตรวจสอบได้หมดเลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่งตั้งเปิดเผย ป, ประกาศทำให้ง่ายหมดแล้วเนี่ยนะชนที่ที่ตรงผู้ที่ปฏิบัติตรงผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะสามารถตรัสรู้ตามได้นผู้ที่มีปัญญามีบุญมีบุญพอก็สามารถตรัสรู้ตามได้ทีนี้เอ๊ะถ้าเราบุญน้อยล่ะโรคบุญน้อยเข้ามาแล้วทำไงดี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 วงของพระโคตมะพุทธเจ้าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งสรนเสริญอริยมรรคชนเหล่านั้นจักตรัสรู้เนี่ยนะหมายคือว่าถ้าหากว่าเขาปฏิบัติตามอริยมรรคเนี่ยนะชื่นชมอริยมรรคเข้าใจอริยมรรคในที่สุดอริยมรรคจะทำให้เขาตรัสรู้หลักวิชาท่านบอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ หรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเจริญ ส, สัมมาทิทอฐิบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะนะสัมมาสังกับปะที่บุคคลเจริญแล้ว สัมมาสังกประที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติตลอดจนถึงสัมมาสมาธิก็ในยะเดียวกันว่าบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานะ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 ธระตัวนั้นแปลว่าส่งเอาไว้หมายว่าท่งผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทําให้เขาเนี่ยตกไปในอบายทุกติวิบัตินรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะั น, นถ้าหา ว, าวัดตามใจของเราเนี่ยนะเอาคุณภาพจิตมาวัดเนี่ยนะยอมว่ายมเกิดสวรรค์ชั้นไหนดีนะเช็คใจของเราเลยนะมาตรวจใจเลยเอาใจมาเช็คค่าที่เป็นจริงของใจอ่ะนะ ถ้าตายตอนนี้สวรรค์ชั้นไหนดีเนาะแล้วถ้าอยู่สวรรค์ชั้นนั้นจะไปอยู่ได้สักกี่วันนะตามคุณภาพของอริยทรัพย์ภายในแบบนี้นะบางคนก็บอกโอ้ยอยังไงชาติหน้าเราก็สวรรค์เข้ามาไม่เทียงหรอกแต่ปัญหาว่าคุณอยู่ได้กี่วัน บอกเหมือนก็อยู่สวรรค์ฉันดูสิเอานี้ล้การลองไปใช้โรงแรมดูสิธานีดูะนะจะอยู่ได้สักกี่คืนเว้นไว้แต่ไปเป็นพนัก ง, งานอาจจะได้นานอีกหน่อยอะนะแต่หมายว่าถ้ า, ถ, าถ้าไปเป็นผู้พักจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะแม้กระทั่งสุคติโลกสวรรค์ก็ในญาติเดียวกันถึงไปเกิดไปอยู่ได้สักกี่วันเชจโนะวัดกันตามคุณภาพบุณ น, นะไม่ใช่แปลว่าไปอยู่ในสวรรค์จะต้องบอกอู้สวรรค์นะอายุยืนเท่านั้นตีเท่านี้ปี อันนั้นถามว่าท่านพูดผิดไหมบอกไม่ผิดเหมือนมนุษย์ในยุคนี้เฉลี่ยแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดบหปีบางคนก็อายุยืนหน่อยก็เจ็สิปีคุณยากเท่าไหร่ตอนนี้โอเจ็ดสองอายุอยย่ยืนมากมีบุญมากมันก็เอาเทไหรแล้วคนเกิดมาทั้งหมดอายุ8ปดิบกันหมดไหมมนุษย์ยุคนี้เขาบอกอายุเจ็ดปดสปีนะจึงจะตายเหมันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนอายุปดิบหมด ชั้นใดสวรรค์ที่บอกว่าอายุหลายๆล้านปีอายุเป็นล้านปีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องไปอยู่ในสวรรค์ครบอายุไขทีนี้ถามว่าสวรรค์นี่มันก็เหมือนกับว่าอะไรนะคนรายได้น้อยแล้วไปซื้อของไปช็อปปิ้งอ่ะชอบหมดแล้วเอาที่เหลือที่เหลือไปไหนดีคะเนี่ยไปเที่ยวไปเกิดในสวรรค์นี่สวรรค์ไม่ใช่แหล่งทาบุญโดยมากนะสวรรค์ไม่ใช่แหล่งทาบุญที่เรียกว่าแหล่งใช้ถหนของบุญ <c oughs> ก็หมดบุญจากสวรรค์ไปไหนต่อเขาแน่นะ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 จบสิ้นเป็นที่ไหนไม่มีจบมีสิ้นเชื่อมโยงไปตลอดพระองค์จึงสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อถ่ายถอนตัณหาถ่ายถอนหนี้สินเนี่ยนะพระเขาเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้ไม่มีหนี้นะพรหมพรหมเนี่ยนะพรหมนะพรหมร ม, ร ม, มาจโลกาติปฏิสัมปติการอัญชลีเนี่ยนะพรหมเนี่ยมาเรียกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้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 พอบอกว่าไม่มีคุกใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับ น, นรกกับเดรชาญเขาบอกงัน้นการที่สัตว์เดรชาญเกิดขึ้นนะั่นนะคือการติดคุกเหมือนนน่ยคุกของวัตตะนะคุกของวัตตะคือนรกกับเดรชาญถ้าคุกของโลกก็เช่นอะไรบางขวางอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ น, นี่เรียกว่าคุกของชาวโลกแต่ถ้าคุกในวัตตะก็คือนรกกับเดรชานพระองค์บอกว่าไม่เห็นคุกไหนมันจะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชานนี่มันหลุดออกมายาก เมนนื่อวานนึนึกในใจเคยถามหลายคนเนี่ยเอาคุณรักหมามากเลี้ยงหมาไว้ตั้งหลายตัวอยากให้หมามาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าจะให้มันทํำยังไงดีทําไงดีหนูอนะบอกโอ้ยแหมรักเธอจริงๆเลยตัวนี้เนี่ย น, ะน่ารักดีออกแหมอยากชาติหน้าอยากให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะี่ทำยังไงดีไม่ให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ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 แต่ให้ไก่มาเกิดเป็นคนเนี่ยยากฐานะถ้าเราไปสู่นี่นะโอ้ยปลาตัวนี้น่ารักเหลือเกินนะเธอชาติหน้ามาเป็นมนุษย์นะเอ๊ะทำยังไงช่วยปลาตัวนี้ให้มาเกิดเป็นมนุษย์วกาขอมาเนี่จนปัญญาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าทําได้เนาแต่ว่าไม่ใช่ทําได้กับเดราชานทุกตัวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระ อ, องค์ก็ไปเห็นอุปนิสัยกบอยู่ตัวหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลเรามันดูกะเนี่นะมันดูกะแปลว่ากบ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 สวรรค์ตอนหลังก็กลงมาแล้วฟังธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันนครับเนี่ ย, ยกบพัฒนายัางก้าวไกลเป็นพระโสดาบันไนดะ้แต่ก็อย่างว่านนะเชื่อไหมในคมภี์มีกบอยู่ตัวเดียวที่เป็นพระโสดาบันเนี่นะไอ้กบที่เหลือไม่รู้กี่ฟูงกี่ฟาร์มเนี่ยนะเนีไม่มีพูดถึงเลยแล้วอีกตัวหนึ่งเขงาเรียกว่าม้าตอนหลังม้ามาเป็นพระโสดาบันก็คือม้ากันตะกะม้าที่ขี่เพื่อให้พระเจ้าขี่ไปบวชพระโพธิสัตว์ขี่ไปบวชน่ะนะม้าอยู่ตัวนั้นนะ่ะแล้วโดยมากนะยาก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 เออขอไปเปอร์เซนต์ผิดเนี่ยมันมากเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยมันน้อยการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เหมือนกันเพรานเราก็ต้องหาประทัดฐานหามาตรฐานหาความถูกต้องเพื่อให้ประสบกับความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอารหันต์เป็นต้นเขาบอกเ อ, อ๊แล้วเราจะไปหาอารหันต์ที่ไหนเข้มาเนี่ยนะเคยสมัยก่อนไม้บดใหม่ใหม่บกว่า เออจางครับผมอยากหาผ้ารหารนะันน่ะให้พผ้ารหันสอนผมอะ่ะจานเขาว่างไง ร, รู้ป่ะบอกว่าท่านจะเอาอรหันกี่รูป เ, ออเราก็งงอ่ะนะอเอากี่รูปท่านว่างไงนะเอาเนี่ยถ้าอยากได้กลุ่มผ้ารหันห้าร้อรูปจะเอาเลิศขนาดไหนก็ได้ก็ในพระไตรปิฎกเขาว่างเ mm hmm. พราะอะไรรู้ไหมเ พ, พราะพระไตรปิฎกเนี่ยผ้ารหันห้าร้อรูปมาร่วมกันเรียบเรียงเอาไว้ถ้าเอารหันเจ็ดรูปเจ็ดร้อรูปก็ สังขยาณาชุดที่สองใช้ผ้าหันเจ็ดร้อยรูปถ้าจะเอาผ้าหันพันรูปบอกสังขยาณาครั้งที่สามพระเอาผ้ารหันพันรูปเพราะฉะนั้นถ้าเอาผ้าหันสองพันสองร้อรูปก็อ่านในพระไตรปิฎกถ้าจะเอาเกินกับนั้นก็ได้เนะเพราะฉะนั้นก็เอาจากเนี่ยมาตรฐานที่สุดก็อยู่เท่านี้จริงๆเขาเรียกว่าพอมาใช้คําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือจดหมายจากพระพุทธเจ้าที่เขียนถึงเรา เราจะได้รับการศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยศึกษาเพื่อรับมรดกของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่ามรดกของพระองค์เนี่ยทายาทเนี่ยแปลว่าผู้รับมรดกพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราต ถ, ถาคตเถิดอย่าได้เป็นอมิตรทยายาทของเราตถาคตเลยเป็นต้นธรรมทายาทก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมหรืออริยทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะ ตอนนี้ถามว่าเราจะเอาอาริยทรัพย์ได้จากไหนทรัพย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เขียนจดหมายบอกเราเพราะฉะนั้นรูปของพวกเรานี่ยกระดรุ่นจดหมายนะรุ่นใช้จดหมายแต่ก็บอกโอ้ยอธิบายได้ว่ายังไม่มีเวลาอ่านเหมือนกันนะยงเกียรติได้อ่านแนละ้วสักเล่มเล่มหรือยังนะเสื้อพลาสติกดกตั้งเยอะๆอะไรยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะเสียดายจังเลยนะคุลุงเดบอ่านหนยนะเดี๋ยวตามหมดก่อนแนละ้วเสียดายนะแหมรู้อย่างงี้นะอ่านซะแล้วก็ดีเนี่ยนะ ก็ต้องแม่หอมมาเนี่ยดีใจนะดีนะเราเรียบบวจนแล้วเรียบมาอ่านพระไตรปิฎกไว้ก่อนถ้าตอนนี้แล้วเพิ่งมาเริ่มอ่านถ้าจะแย่มันกันนะนะเพราเราว่ามันไม่ค่อยทนนะนะถ้าอ่านไม่ค่อยทนถ้าเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นแต่ถ้าอ่านไม่บ่อยอ่านไม่มากอ่านไม่ต่อเนื่องเเราไม่เข้าใจหรอกถามว่าทําไมไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจง่ายๆท่านจะเรียกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือนะนะใช่ไหมถ้าอะไรที่มันง่ายอู้ตอนนี้ไม่มีเสื่อมหรอกจะ